วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันสักพอกจิตใจให้สะอาดรบริสุทธิ์ จิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีการทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆรม่อย่างนั้นแล้วสิ่งโสโครกก็จะครอบงำทำให้ร่างกายนี้ส่งกลิ่นเหม็นได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับร่างกายก็ได้ร่างกายจึงมีการชำระด้วยการอาบน้ำกันอยู่เรื่อยๆ อย่างน้อยวันละครั้งสองครั้งเวลาอาบน้ำเสร็จก็รู้สึกสดชื่นเบิกบานร่างกายที่สะอาดให้ความรู้สึกที่ดีฉันใดจิตใจก็เป็นเหมือนกับร่างกายจิตใจก็มีเครื่องเศร้าหมองคอยคอยทำให้ใจไม่มีความสุข ทำให้ใจมีความเศร้ามีความทุกข์มีความไม่สบายใจต่างๆจึงจาเป็นที่จะต้องมีการซักพ่อชำระกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองให้เบาบางลงไปไม่ให้หมักหมมไม่ให้เพิ่มขึ้นเพราะว่ากิเลสตัณหาเวลามีมากขึ้นมากขึ้น มันก็จะมีอำนาจมากขึ้นมีพลังมากขึ้นพลังอำนาจของกิเลสก็คือการสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับจิตใจนั่นเอง mm hmm. พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นความสำคัญของการซักพอกจิตใจใอยู่อย่างสม่ำเสมอจึงทรงกำหนดวันพระขึ้นมา mm hmm. เพื่อให้สาธุชนพุทธวิษัทผู้ฝ่ายธรรม ผู้ปรารถนาความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆของจิตใจให้หยุดภารกิจการงานต่างๆหนึ่งวันเพื่อที่จะได้มาซักพอกจิตใจชำ่ละกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปจากจิตใจไม่ให้สะสมให้มากขึ้น แต่ให้พยายามลดปริมาณของมันให้น้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เพราะถ้ากิเลสตัณหาโมหะอวิชชาความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงไปความทุกข์ในใจก็จะลดน้อยลงไปความสุขในใจก็จะเพิ่มขึ้นมาเองเพราะความสุขกับความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่จะแย่งพื้นที่ของใจกัน ถ้ามีทุกข์มากความสุขก็จะมีน้อยถ้ามีความทุกข์น้อยความสุขก็จะมีมากเป็นการแบ่งพื้นที่ของใจเราถ้าเราปล่อยให้กิเลสตัณหาสร้างความทุกข์ให้กับใจเรามากขึ้นมากขึ้นความสุขพื้นที่ที่จะให้เรามีความสุขในใจก็จะมีน้อยลงน้อยลงไปในทางตรงกันข้ามถ้าเราลดเพลเราลดความทุกข์ลด ลดกิเลสตันหาลดกิเลสเครื่องเศร้ามองที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนี้ให้น้อยลงไปพื้นที่ของความทุกข์ก็จะลดน้อยลงไปพื้นที่ของความสุขในใจก็มีเพิ่มมากขึ้นนี่คือเรื่องของใจที่จะต้องคอยรักษาด้วยการซักพอกอยู่เรื่อยเรอยพราะถ้าไม่ซักพอกแล้วกิเลสมันก็จะ เพิ่มปริมาณขึ้นมากขึ้นค <c> ร <oughs> อบงมจิตใจพื้นที่ของจิตใจเรามากขึ้น <c oughs> จนถ้าเราไม่ไม่ไม่จับยั้งมันเลยไม่ซักพอกมันเลยนี่ <c oughs> ต่อไปพื้นที่ของใจนี้ก็จะจ ะ, จะเต็มไปด้วยความทุกข์ <c oughs> ที่เกิดจากอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะวิชา <c oughs> ความโลภความเกลดความหลงต่างๆ สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจอยู่อย่างต่อเนื่องจนแทบจะหาเวลาว่างไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีการซักฟอกมาสกัดกัน้นมันเลยต่อไปใจก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าได้มีการชำระอย่างสม่ำเสมอเหมือกับการล้อาบน้ำให้กับร่างกายร่างกายก็จะไม่ สกปกมากเกินเกินไปไม่ส่งกลิ่นเหม็นมากเนเกินไปอพอเริ่มสกรปรกพอเริ่มส่งกลิ่นเหม็นก็อาบน้ํากันงทักครั้งหนึ่งมันก็จะลดความสงกปกกลิ่นกลิ่นเหม็นของร่างกายให้ลดน้อยลงไปฉันใดการซักพอกจิตใจทุกกะทิดทุกวันพระนี้ก็จะช่วยะระงับช่วยสกัดกั้นความเจริญ งอกงามของกิเลสตัณหาโมหะวิชาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายให้มันลดน้อยลงไปไม่ให้มันมีมากเพิ่มขึ้นจนเกินไปมันก็จะทำให้จิตใจนี้พอจะมีความสุขบ้างทุกครั้งที่เราได้ซักฟอกจิตใจก็เหมือนกับทุกครั้งที่เราได้อาบน้ำ ให้กับร่างกายเวลาทำนะให้กับร่างกายก็รู้สึกสดชื่นร่างกายสดชื่นเบิกบานสะาดจิตใจก็แบบเดียวกันถ้าเราได้รับไ ด, ได้การได้การชำระจิตใจให้สะอาดขึ้น<ม>จิตใจก็จะมีความรู้สึกสดชื่นเบิกบาน<ม>การซักฟอกจิตใจก็เหมือนกับการชาระร่างกายก็ต้องมีอุปกรณ์ มีสิ่งของเช่นต้องมีน้าน้ำอาบมีสบู่ไว้ถูไว้เอาเอาสิ่งที่สกปรกที่ติดอยู่ตามผิวหนังให้ออกไป<ม>การซักฟอกจิตใจก็ต้องมีอุปกรณ์หรือมีเครื่องมือในการซักฟอกจิตใจ<ม>เครื่องมือที่ใช้ในการซักฟอกจิตใจก็คือการทำบุญทาทาน การรักษาศีล mm hmm. การฝึกสมาธิ mm hmm. การฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญา mm hmm. นี่คือเครื่องมือที่พระุธเจ้าได้ส่งมอบให้กับพุทธศาสนิกชนผู้่รารถนาการ mm hmm. ความบริสุทธิ์ของใจ mm hmm. ให้นำอาไปใช้ในการซรักพอกจิตใจเพราะถ้ามีเครื่องมือเหล่านี้ mm hmm. มีการทำบุญทำทาน mm hmm. มีการรักษาศีล มีการฝึกสตินั่งสมาธิมีการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากิ<ม>เลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปจากใจเลยก็ได้<ม>จนทำให้ใจนี้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมามเป็นพ่านิพพานขึ้นมาอนิพพานก็คือความบริสุทธิ์ของใจนี่เองใจที่ปราศจากกิ กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเป็นใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราเรียกว่าเป็นใจของพระอรหันต์พระอรหันต์คือคือผู้เส้นกิเลสกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่เคยมีในใจของท่านได้รับการซักพออด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาก็คือนั่งสมาธิทำใจให้สงบเข้าชาน ออกจากสมาธิมาก็สอนใจให้เกิดปัญญาด้วยการศึกษาคมสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าได้ทำการซักพ้อกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกิเลสตัณหาเครื่องสศร้าหมองก็จะลดจำนวนลงไปตามลำดับ <c oughs> ความทุกข์ก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับ <c oughs> ความสุขก็จะมีเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ ความสุขใจทุกใจอยู่ที่การมีกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองมากหรือน้อยนั่นเองถ้ามีมากก็จะทุกมากสุขน้อยถ้ามีน้อยก็จะมีทุกน้อยจะมีสุขมากถ้าไม่มีกิเลสตัณหาเลยก็ไม่มีความทุกเลยมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนั่นแหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ท่านบำเพ็ญซักพอกจิตใจทั้งวันทั้งคืนทุกเวลานาทียกเว้นเวลาหลับ<ม>ตั้งแต่ท่านออกบวชนี้ท่านก็เริ่มซักพอกันอย่างเอาจริงเอาจังเ<ม><ม>พราะท่านไม่มีภาร ะ, ราะอื่นอย่างต้องทำแล้วพอบวชแล้วก็มีหน้าที่ซักพอกจิตใจเพียงอย่างเดียวก<ม><ม>อเวลาบวชก็ทำทานอย่างเต็มที่เลย มีเงินทองเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็บริจาคหรือยกให้คนอื่นไป mm hmm. เพราะเงินทองนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้ใจสุขแต่จะเป็นตัวที่จะทําให้ใจทุกข์ mm hmm. ไม่มีเงินทองนี้จะดีกว่ามีเงินทอง mm hmm. เงินทองถ้ามีก็มีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเอง mm hmm. ที่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นความทุกข์ mm hmm. แต่ถ้าเอาไปเลี้ยง เลี้ยงความต้องการของกิเลสก็จะทําให้กิเลสมีกําลังมากขึ้นกิเลสมีกําลังมากขึ้นก็จะมีความทุกข์ใจมากขึ้นนั่นเอง mm hmm. เงินทองจึงเป็นสิ่งที่มีทั้งคุณเมื่อมีทั้งโทษผู้ที่จะใช้เงินทองนี้ต้องรู้จักคุณของเงินทองและรู้จักโทษของเงินทอง mm hmm. ใช้แต่สิ่งที่เป็นคุณ สิ่งที่เป็นโทษก็ต้องไม่ใช้มันจึงเป็นที่มาของการทาทานการบริจาคเงินทองให้กับผู้อื่นไปเพราะเงินทองสำหรับผู้ครองเรือ น, นี้ก็มีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้เท่านั้นเอง mm. ร่างกายนี้ต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรค การที่คารวะญาติอยู่ต้องไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูร่างกายนี้เ<ม>องเพราะถ้าขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะต้องเป็นอะไรไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและถ้าขาดมากๆ<ม>ก็อา จ, จะถึงแก่ความตายได้ แต่ถ้ามีปัจจัยสี่ไว้คอยสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่องมีอาหารให้รับประทานทุกวันมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้สวมใส่มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆมียารักษาโรคหรือมีเงินไว้สาหรับรักษาพยาบาลเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายก็จะอยู่อย่างสุขสบาย ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการไม่เป็นอะไรไปก่อนว่าก่อนวัยอันที่มันจะเป็นนี่แหละคือหน้าที่ของเงินทองที่คารวะญาติโยมหากันมานี่มีไว้เพื่อใช้เลี้ยงดูร่างกายทั้นนั้นเพื่อมีปัจจัยสี่มีมากมีน้อยก็ก็แล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหน ถ้าใช้แบบมากน้อยสันโดยก็ไม่ต้องใช้มากไม่ต้องหามากถ้าใช้แบบรู้หลาใช้แบบฟุ่มเฟือยก็ต้องหามากต้องมีมากต้องหามากถ้าหามากมันก็จะเหนื่อยมากแล้วเวลาก็จะมีน้อยมีต้องใช้เวลาให้กับการหาเงินมามากเวลาที่จะไปซักพอกจิตใจก็จะมีน้อย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สาธุชนผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ใช้หลักความมักน้อยสันโดษในการบริโภคปัจจัยสี่อาหารก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาหารที่มีราคาแพงๆอาหารที่ขายในร้านอาหารที่มีราคาแพงๆ สามารถซื้อกินซื้ออาหารมาประกอบเองก็ได้ก็จะใช้ค่าใช้ใจ่ายก็จะน้อยลงอาหารจะเป็นราคาเท่าไหร่เมื่อกินเข้าไปในท้องมันก็ทําหน้าที่เท่ากันกินเพื่อไปดับความหิวของร่างกายกินเพื่อรักษาให้ร่างกายไม่ขาดสารอาหารต่างๆที่อาจจะทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทั้งนั้นเอง อาหารมื้อละห้าร้อยกับอาหารมื้อละร้อยบาทนี่มันก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันถ้าใช้เงินมากกับการซื้ออาหารก็ต้องหาเงินมามากเพื่อมาใช้ถ้าใช้น้อยก็ไม่ต้องหามามาก <S S S S S S S ก็จะมีเวลาให้กับการไปซักพอกใจด้วยวิธีอื่นมากขึ้นอันนี้ก็เรื่องของการ ทำบุญทำทานให้เราคอยสกัดการใช้เงินเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาที่เป็นเครื่องเศร้าหมองถ้าเราเอาไปใช้กับกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองก็เท่ากับเป็นการไปจ้างให้กิเลสมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราให้มีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอยู่ดีๆไปจ้างให้คุณให้กิเลสมาสร้างความทุกข์ให้กับเราทําไมหาเงินหาทองมาถ้าเป็นแทบตาย แล้วก็ต้องเอาเงินทองนี้ไปจร้างกิเลสมาสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยโดยโดยคิดว่าเป็นการให้สร้างความสุขให้กับใจสิ่งที่กิเลสอยากได้นี้มันไม่ได้สร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจมันเป็นความสุขประเดียวประดาวเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปแล้วพอไม่มีเงินที่จะไปหามาใหม่ มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันที mm hmm. จึงไม่ควรที่เอาเงินเอาทางไปใช้ตามความอยากของกิเลสตัณหา mm hmm. อยากไปเที่ยวอยากไปดูไปฟังอยากไปกินไปดื่ม mm hmm. ตามสถานที่ที่มีราคาแพงๆ mm hmm. อยากไป mm hmm. อยู่แบบประหยัดอยู่แบบบางน้อยสันโดษ ถ้าอยากจะใช้เงินเพื่อให้เกิดความสุขก็ให้เอาไปทําบุญทําทานแทน<ม>เพราะการทําบุญทําทานนี้เป็นการซื้อความสุขที่ยั่งยืนกว่าที่ไม่มีพิษมีภยัยกับจิตใจเหมือนกับความสุขที่ซื้อไปกับความอยากของกิเลส<ม>สิ่งที่กิเลสอยากได้นั้นล้วนเป็นยาเสพติดของใจทั้งนั้นเองยาเสพติดเราก็รู้กันว่ามันเป็นอย่างไร ถึงแม้ว่ามันจะให้ความสุขในขนาดที่เสพแต่มันจะทำให้เกิดความติดติดยาเสพติดแล้วพอเวลาใดไม่ได้เสพยาเสพติดเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเลยแต่การเอาเงินไปทำบุญทำทานนี้ไม่ได้เป็นการไปซื้อยาเสพติดแต่เป็นการไปซื้ออาหารของใจ เมื่อใจได้ทําบุญทําทานแล้วใจก็จะเกิดความรู้สึกอิ่มขึ้นมาอิ่มใจสุขใจแล้วความอิ่มใจสุขใจนี้ก็ไม่จางหายไปเหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆเหมือนกับอาหารที่รับประทานนี้มันจะให้ความอิ่มกับร่างกายแต่ยาเสพติดที่เสพนี้มันจะให้ความสุขเดี๋ยวเดียว แล้วพอเสพเสร็จแล้วมันก็จะจางหายไปแล้วความอยากจะเสพใหม่ ก, ก็โผล่ขึ้นมาแล้วพอโผล่แล้วไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจตามมาแต่อาหารของใจที่ได้จากการทาบุญทาทานนี้พอได้ทาบุญแล้วมันจะทำให้ใจอิ่มใจสุขใจไม่หิวใจเวลา ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีความอยากที่จะไปหายาเสพติดมาเสพความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับถ้าทุกครั้งที่เราเอาเงินที่เราจะไปซื้อยาเสดดตพติดของใจคือไปซื้อของตามความอยากของกิเลสตัณหาเอามาให้กับการทําบุญทาทานต่อไปความอยากจะใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุข ของตามความอยากความต้องการของกิเลสตัณหามันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะลดน้อยถอยลงไปความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปต่อไปก็ไม่มีความอยากที่จะใช้เงินไปกับการไปทำตามความอยากต่างๆเลยเพราะเห็นโทษว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นยาเสพติด เสพแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาซื่อเอาเงินไปทําบุญทําทานดีกว่าทาบุญทําทานแล้วใจรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายไม่หิวกับสิ่งต่างๆไม่หิวกับรูปเสียงกลดิ่นรสแล้วก็ความสุขความสบายนี้ก็สะสมอยู่ในใจไปเรื่อยๆเวลานึกถึงบุญ นึกถึงทานที่เราได้ทําไว้ถึงแม้จะเวลาจะผ่านมาหลายวันหลายเดือนแล้วก็ต่ามเวลานึกถึงมันก็ทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเพราะบุญเพราะความสุขใจอิ่มใจคือบุญนี้มันไม่ได้หายไปจากใจหลังจากที่เราได้ทําไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันหายไปจากใจ <S <S <ừ. S 1> เวลาเราไปนึกถึงความสุขที่เราเคยได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรส แทนที่จะทำให้เราเกิดมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจมันกับทำให้เรามีความรู้สึกหิวขึ้นมาอยากขึ้นมาอีกอยากจะไปเที่ยวอีกอยากจะไปดูไปฟังอีกแต่ความสุขที่ได้จากการทาบุญทาทานนี้เวลาคิดถึงมันนี้มันไม่ได้ทำให้หิวให้อยากมันมีแต่ความรู้สึกอิ่มใจสุขใจแล้วก็ก็อาจจะอยากจะทำให้มันมีความสุขใจอิ่มใจเพิ่มมากขึ้นก็ได้ ถ้าไม่ทำก็ไม่เดือดร้อนถ้ามีก็จะอยากจะทำเพิ่มมากขึ้นเพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ติดกับใจของเรามันไม่ได้หายไป mm hmm. และบุญนี้แหละที่เราที่สะสมอยู่ในใจของเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่พาให้เราไปสุกติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเรายังไปไม่ถึงพระนิพพาน ถ้าเรายัางสักฟอกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ mm hmm. เวลาร่างกายของเราตายไป mm hmm. ใจจะมีบุญพาไปบุญจะพาไปอยู่ตามสวรรค์ชั้นต่างๆ mm hmm. อยู่ไปจนกว่าบุญที่ได้สะสมมานี้มันหมดกำลังลงถึงยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ mm hmm. แล้วก็จะมีนิ ส, สัยชอบทำบุญติดตัวมาอยู่ลองกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ พอมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แทนที่จะคิดจะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรก็คิดถึงแต่าการทำบุญ เ, ออเพราะว่าทำบุญแต่ละครัง้งมีความสุขใจอิ่มใจสบายใจมากกว่าการไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรต่างๆออก็จะกลับมาทำบุญต่อมาซาักพอกจิตใจต่ อ, อ, อม มาเพิ่มการซักพอกให้มากขึ้นถาชาตินี้เราซักพอกจิตใจด้วยการทำบุญทำทานแต่เรายังไม่ได้ซักพอกด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมคือเจริญสตินั่งสมาธิและปัญญาณจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจากการพิจารณาให้ควรทมที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้ว เราก็จะทามาเราก็จะกลับมาทาต่อไปเรื่องของความเรื่องของการทาตามความอยากต่างๆนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปไเรื่อยๆเรื่องที่จอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปไปดูไปฟังอะไรนี้แทบจะไม่ไม่มีแล้วสำหรับคนที่ทำบุญเป็นนิสัยขึ้นมาทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่จิตใจก็เอาไปทำบุญทำทาน ทำบุญทำทานนี้มีประโยชน์ทั้งกับผู้ให้และผู้รับด้วยผู้รับก็ได้รับการอนุเคราะห์ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนผู้ให้ก็ได้ความสุขใจอิ่มใจนี่คือการซักพอกจิตใจในเบื้องตน้นท่านแรกก็ให้ซักพอกด้วยการทําบุญทําทานเวลาทําบุญทําทานเราจะได้ชำระกิเลสตัณหาตัวความโลภ โลภอยากได้เงินมากๆคนที่ไม่ทำมูลทำทานนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอได้มาร้อยล้านก็อยากจะได้พันล้านาได้พันล้านก็อยากจะได้หมื่นล้านไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแต่ความโลภมันอยากได้แต่ถ้าเอาเงินมาทำมูลทำทานานเรื่อยๆพอมีเงินพอกินพอใช้แล้วก็จะไม่มีความโลภอยากจะได้เงินมากขึ้น แทนที่จะเอาเวลาไปหาเงินเพิ่มขึ้น<ม>ก็สู้เอาเวลามาทักพอกจิตใจด้วยการรักษาศีล<ม>ด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาดีกว่า<ม> น, นี่คือการอ น, นิสง์ของการทำบุญทำทานเป็นการกำหนดเพดานของเงินทองที่เราจะต้องมีไม่ให้มันมีมากเกินความจำเป็น ถ้ามีมา ก, กความจำเป็นก็เอาไปบอยจากเอาไปทำบุญทำทานเพราะเงินถ้ามีมากเก็บไว้เฉยๆก็เป็นภาระทางด้านจิตใจต้องวิตกกังวลว่าจะเอาเงินนี้เก็บไว้ที่ไหนดีจะรักษามันอย่างไรดีตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็เท่ากับการสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยใช้เหตุก็เอาไปทำบุญดีกว่าเก็บไว้เท่าที่จาเป็นเท่าที่เราคิดว่า พอต่อความต้องการของการเลี้ยงดูร่างกายก็พอแล้วการที่ไม่หาเงินมากๆมันก็จะทำให้การรักษาศีนี้รักษาได้ง่ายเพราะเมื่อเราไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนที่จะต้องหาเงินมากๆเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำบาป ก, กันแต่สำหรับคนที่อยากจะได้เงินมากๆบางครั้งเวลา ทำด้วยความวิธีด้วยวิธีไม่ทำบาปมันจะไม่ได้หรือได้ยากได้ช้าและได้น้อยก็มักจะคิดหาโดยวิธีทำบาปเช่นไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นไปชอบโกงไปรักทรัพย์ของผู้อื่นมาหรือถ้าหนักกว่านั้นก็ไปป้นไปจี้เลยก็มีเมื่อเกิดการป้นจี้กันก็อาจจะมีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันเกิดขึ้นมาตามมา เหตุการณ์อันนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่ทำบุญอยู่เป็นประจำคนที่คอยสกัดกั้นความโลภความอยากได้เงินทองก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปหาเงินทองด้วยวิธีการทำบาปต่างๆสามารถหาเงินหาทองด้วยวิธีสุจริญได้เพราะว่าไม่มีความต้องการเงินทองมากมายแล้วก็ไม่ต้องการให้มันได้อย่างรวดเร็วหรือง่ายดาย พร้อมที่จะถามเงินมาด้วยแรงยาดเหงือกของตนเองขอให้เป็นการกระทำที่สะอาดบริสุทธิ์ก็แล้วกันเพราะเห็นโทษของการทำบาว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาเวลาทำบาปรแล้วใจจะใจจ ะ, ใจจะร้อนขึ้นมาใจจะทุกข์ขึ้นมาต่างกับเวลาที่ไม่ได้ทำบาปเวลาไมไ่ทำบาปใจรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกสบาย ไม่มีความทุกข์ความวิตกกว่กลัวตามมาอันนี้ก็เป็นการซักพ่อขั้นที่สองลดกําลังของความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปการทำบาปนี้มันก็มีสาเหตุจากความโลภบ้างจากความโกรธบ้างจากความหลงบ้างความหลงก็คิดว่ามีเงินทางมากๆแล้วจะมีความสุขมากจะมีความทุกข์น้อยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิด ความเห็นผิดเป็นชอบการมีเงินทองมากนี่มันยิ่งมีทุกข์มากขึ้นเพราะมีความทุกข์มีมีความวิตกกังวลมีภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาเงินทองที่หามาได้เป็นความเข้าใจผิดเงินทองมีไว้เพื่อเลี้ยงเลียเ้ยงปากเลี้ยงทองของร่างกายนี้เท่านั้นส่วนเรื่องของจิตใ จ, จนี้เงินทองไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจเลย มีแต่โทษกับจิตใจมีแล้วก็ไปกระตุ้นให้มีเกิดความโลภมากขึ้นอยากจะได้อยาก จ, จะมีมากขึ้นแล้วเวลาไม่ได้ขึ้นมาก็เกิดความโกรธตามมาอันนี้แหละคือเรื่องของการสกัดกัน้นนิสัยพ่อความโลภความโกรธความหลงด้วยการรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลห้าได้นี่เราจะลดความโลภความโกรธความหลง ให้น้อยลงไปเราจะหาเงินหาทองพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอแล้วเราจะไม่โกรธใครง่ายๆเราก็จะไม่ต้องไปทำร้ายผู้อื่นที่คนโกรธกันก็เพราะมีการแข่งแย้งชิงดีกันเพื่อที่จะได้ให้เงินทองมามากๆนั่นเองพอมีูคู่ต่อสู้มาขัดขวางก็จะทำให้โกรธเขาได้แล้วก็อาจจะคิดไปทำร้ายเขาได้ แต่ถ้าเรามีการรักษาศีลห้าอยู่นี่ถึงแม้เราจะโลภเราก็จะทาโลภอยู่ในกรอบของความถูกต้องคือไม่ไปทำบาปไม่ไปรักทรัพย์ไม่ไปประพฤติผิดประเพณีไม่ไปโกหกหลอกลวงไม่ไปป้นไปจี้ไปฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาทรัพย์ของเขามา ความโลภความโกรธความหลงจากการอยากจะมีทรัพย์สินเงินทอง mm. ก็จะลดน้อยถอยลงไประดับเ mm. มื่อมีมีความโลภในทรัพย์สินเงินทอง mm. น้อยลงไปน้อยลงไปต่อไปก็สามารถที่จะไปอยู่วัดได้ mm. เพราะการไปอยู่วัดนี่ก็จะอยู่แบบไม่ใช้เงินทองกัน mm. mm. เพราะว่าจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน แทนที่จะหาความสุขจากการใช้เงินทองไปซื้อของต่างๆมาดูมาฟังมากินมาเดืม่มก็เปลี่ยนวิธีมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบแทนเช่นวันพรานี้ก็มาถือศีลแปดกันในวัดสำหรับบุคคลที่ยังไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ทดลองทาในวันพักก่อนลองไปชิมอหารก่อนชิมอาหารคือธรรมะว่าลถแห่งธรรมนี้ ชนลดทั้งปวงจริงหรือไม่ความสุขของธรรมะนี่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงหรือไม<อ>่ก็ต้องมีการชิมวิธีชิมก็ต้องมีการปฏิบัติทาจิตใจให้สงบเร<อ>ียกว่าต้องมาอยู่วัดแล้วก็ต้องมาถือสีลศีลแปดกันเป็นอย่างน้อยเพราะศีลแปดนี้จะช่วยสนับสนุนให้เรามีเวลา ให้กับการได้ได้ฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบพอเราจะเอาเวลามาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวกิจกรรมอย่างอื่นที่เราเคยทําเราก็จะนะครับถ้าเราถือศีลแปดเช่นศีลข้อสามจากการประพฤติผิดไม่ประพฤติผิดประเพณีคือ ย, ยังร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนได้ พอมาถือศีลแปดเราก็ถือศีลพรหมจรรย์แทนไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาของตนหรือไม่ก็ตามเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปร่วมหลับ น, อน้อยการนี้มาปฏิบัติท ร, ร ม, มาเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนั่นเองนี่คือหน้าที่ของศีลแปดจะสนับสนุน ให้ผู้ปฏิบัติมีเวลาให้กับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าถือศีลห้านี้ศีลห้าไม่ห้ามให้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนของตนไม่ห้ามให้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มอยากจะกินอาหารเวะละกี่รอบก็กินได้ถ้าไปทํากิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลามาให้กับการซักพอกจิตใจด้วยกัน ปฏิบัติธรรมด้วยการาบำเพ็ญจิตภาวนานั่นเองฉะนั้นแต่ถ้ามีศีลแปลดแล้วก็จะมีเวลาว่างเยอะอ เ, เวลาที่เราใช้ร่วมหลับนอนกับแฟนก็กจะกลายเป็นเวลาให้กับการปฏิบัติและเวลาที่เราไปรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตไม่มีเวลาำเวลาก็จะลดก็จะทำให้เรามีเวลาให้กับการปฏิบัติมากขึ้น เพราะสินข้อหกนี้จะห้ามไม่ให้กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วเพอหลังเที่ยงวันไปแล้วทีนี้ก็เวลาที่จะไปใช้กับการกินอาหารก็ไม่มีแล้วก็จะเป็นเวลาว่างสําหรับการปฏิบัติธรรมได้เวลาที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญสติได้อ่านี่คือศินข้อหตัดการกินอาหารให้น้อยลงไปอยากกินตามความอยาก กินตามความอยากเป็นกิเลสเป็นการสร้าง ส, สะสมความเศร้าหมองให้กับจิตใจไม่ใช่เป็นการซักพอกจิตใจให้สะอาดขึ้นแต่การไม่กินตามความอยากนี่แหละเป็นวิธีซักพอกจิตใจซักพอกความอยากกินอาหารให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปเมื่อความอยากกินอาหารมันน้อยลงไปเบาบางลงไปใจก็จะมีความทุกข์เกี่ยวกับการกินอาหารน้อยลงไป ความหิวความอยากกินอาหารมันก็จะลดน้อยถอยลงไปแล้วเวลาที่ต้องไปใช้กับการกินอาหารกับการหาอาหารมากินก็จ ะ, ะก็จะน้อยลงไปก็จะทําให้มีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นและการกินอาหารมากเกินไปก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมด้วยเพราะเวลานั่งสมาธิถ้ากินอาหารอิ่มๆแล้วเวลานั่งสมาธิจะรู้สึกง่วงนอน จะไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะเดินจงกรมอยากจะนอนหรือถ้าฝืนนั่งนั่งใ้พับเดียวก็สับประงกขอพักนี่คือโทษของการกินาหารมากเกินไปแต่ถ้ากินแค่วันละมือ้อสองมื้อนี่พอหลังจากกินอาหารร อ, อ, อบกลางวันไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงท้องก็จะว่างทีนี้นั่งสมาธิก็จะไม่ง่วงไม่หลับไม่ขี้เกียจไม่อยากจะนอน น, นี่มีประโยชน์หลายทางขัดเกลาซักพ้อกตันหาความอยากที่อยากจะกินอาหารให้น้อยลงไปส่วนศีลข้อ3สามก็เช่นเดียวกันขัดเกลวซักพ้อกตันหาความอยากที่จะร่วมร่วมหลับนอนกับผู้อื่นให้น้อยลงไปถ้าเราไม่ทำตามความอยากแล้วความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราอยากทำอะไรแล้วเราฝืนไม่ทาเนี่ย ความอยากทามันจะมันจะหดตัวเข้าไปต่างกับเวลาที่เราทําตามความอยากทุกครั้งที่เราอยากทําอะไรแล้วเราทําตามความอยากความอยากนี้มันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นพองมากขึ้นครัอยากคราวนี้อยากแค่นี้คาวหน้านี้อยากจะได้มากกว่า น, นี้อยากจะทํามากกว่า น, นี้เพราะทําเท่าเดิมมันไม่สนุกเหมือนคนกินเหล้าเนี่ย อวันี้กินขวดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกินสองขวดกินขวดเดียวมันยังไม่จูใจต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเพิ่มก็ยิ่งทําให้เกิดมีโทษขึ้นมาการเสด็จกรรมนี้มันจะทําให้เกิดความความทุกข์มากขึ้นเวลาที่มีความอยากที่รุนแรงแล้วไม่ได้ทําตามความอยากแต่ในทางตรงกันข้าม ทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราไม่ฝืนไม่ทำตามความอยากความอยากก็จะหดตัวลงลดน้อยลงไปทีละครึ่งทีละครึ่ ง, งต่อไปความอยากต่างๆก็จะไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจของเราเลยอันนี้ก็คือวิธีการขัดเกลาวความอยากด้วยการรักษาสินแปดสินข้อเจ็ดก็คือลดการดูหาความสุขจากการดูมหะรศบบันเทิงน้องลาทำเพลง ดูภาพยนตร์ดูลิเกดูละครหรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปร้องลําทำเพลงเป็นเต้นลาเสิมสวยความงามของทงของร่างกายด้วยเสือ้าอผ้าพรที่สวยงามวิจิตรพิสดารแล้วก็ปรงแต่งหน้าตาเพาผมด้วยเครื่องสำางต่างๆซึ่งเป็นความสุขทางการอารมณ์เป็นการ สร้างตันหาความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นแล้ววันต่อไปเวลาร่างกายแก่ลงก็จะไม่สามารถทำตามได้ใจก็จะเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาแต่ถ้าฝืนไม่ไปทำสิ่งเหล่านี้ได้ต่อไปเวลาร่างกายแก่ก็จะไม่รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรไม่ได้เสริมสวยความงามของร่างกาย เพราความอยากที่มีนั้นมันถูกรดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆตามตามกําลังที่ต่อสู้กับมันด้วยกําลังของศีลแปดนี้ต่อไปก็จะอยู่อย่างส ม, มะถะเรียบง่ายได้ไม่ต้องแต่งหน้าทาปากไม่ต้องทําเผาทําผมไม่ต้องหาเสื้อผ้าสวยๆเงางามมาใส่ใส่ชุดแบบเรียบง่ายนุ่งดําห่มขาวหรือนุ่งขาวห่มขาวก็ได้ อยู่แบบเป็นผู้บริสุทธิ์ในพรหมจรรย์ใส่ชุดขาวไปเป็นชุดที่สวยงามชุดที่น่าเรื่อมสายศสัทธา mm hmm. แล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปสิ่งข้อแปดก็ไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายไม่ให้นอนเพื่อตามเพื่อความความความสุขของกิเลสตัณหา mm hmm. ปกติร่างกายนี่นอน คือละสี่ห้าชั่วโมงก็พอเพียงพอนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกที่สบายเตียงที่สบายตัณหาความอยากก็จะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่ออยากจะหาความสุขจากการหลับนอนบนฟูกที่สบายแต่ถ้าให้นอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าปูด้วยเสื่อนี่พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อ เพราะมันไม่สบายมันเจ็บหลังเวลานอนกับพื้นแข็งๆมันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมาซักพอกจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมต่อด้วยการเดินเดินจงกรมนั่งสมาธิลดชนันะความอยากลดกำลังของความอยากให้น้อยลงไปตามลาดับเราสามารถที่จะทำให้ความอยากนี้หยุดได้เลย ถ้าเรารู้จักการเจริญสติรู้จักการนั่งสมาธิ<ม>การทำบูญทำทานการรักษาศีลนี่ยังไม่สามารถหยุดกิเลสตัณหาได้เพีย<ม>งแต่ทำให้มันอ่อนกําลังลงให้มันมีน้อยลงไปได้แต่จะทําทให้มันหยุดนิ่งเลยนี่หายนี่มันทําไม่ได้ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมคือการฝึกสตินั่งสมาธิ<ม>ถ้ารู้จักวิธีฝึกสติ แล้วสามารถนั่งสมาธิจนทําใจให้นิ่งให้สงบได้ขณะที่ใจนิ่งสงบนี้กิเลสตัณหาก็ไม่สามารถทํางานได้ก็สามารถหยุดกิเลสตัณหาได้อย่างเต็มร้อยเลยเวลาจิตเข้าสมาธิจิตนิ่งสงบนี้ไม่มีการทํางานความคิดไม่มีการทํางาน เมื่อไม่มีความคิดทํางานกิเลสตัณหาก็ออกมาแสดงตัวไม่ได้ออกมาทํางานไม่ได้เพราะกิเลสตัณหาต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือนั่นเองใ mm hmm. น, นเวลาที่ใจนิ่งสงบในสมาธิจึงเกิดความสุขแบบมหัศจัญใจความสุขที่เกิดจากการระงับของกิเลสตัณหานี่เองไม่ได้เกิดจากอะไรไม่ได้เกิดจากความนิ่งของใจความนิ่งของใจนี้มันก็ มันก็เฉยๆมันไม่ได้มีคุณมีโทษแต่ที่มันมีความสุขขึ้นมาก็เพราะว่ากิเลสตัณหาถูกระ ง, งับไว้นั่นเองไม่สามารถออกมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจได้วิธีที่จะทําให้กิเลสตัณหาความโลภความอยากนี้หยุดอย่างเต็มที่เลยหยุดนิ่งเลยก็ต้องทำใจให้นิ่งต้องหยุดความคิดปุงแต่งให้ได้ การจะหยุดความคิดปรงแต่งให้ได้ก็ต้องมีการเจริญสติเพราะสตินี่แหละจะเป็นผู้ที่จะหยุดความคิดได้และต้องเจริญอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะเวลาใดที่เราไม่ได้เจริญสติเวลานั้นใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทันทีดังนั้นเราต้องเจริญสติอย่างตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเพราะใจนี้เริ่มคิดตั้งแต่เวลาเราตื่นขึ้นมาเพอะตื่นขึ้นมาก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ เราจะเราจะคิดตอไปยาวไปทั้งเราก็ะะนั่งถึงเวลานอนเลยไม่มีเวลาหยุดคิดเลยถ้าไม่ควบคุมความคิดไว้ก่อนเวลาจะมานั่งสมาธินี้จะให้ใจนิ่งมันไม่นิ่งหรอกเพราะความคิดมันจะคิดของมันไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้ถูกหยุดมาไว้ก่อนโนวงหน้านั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ เราต้องใช้สติคอยระ ง, งับความคิดไว้ก่อนระ ง, งับตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาเราก็ใช้กรรมฐานที่เป็นเครื่องมือของสติการจะมีสติได้คือเราต้องเจริญกรรมฐานคืออารมณ์ต้องให้ใจระ ล, ลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง mm hmm. เช่นถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็บุรีกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไป ถ้าใจเราอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ได้ mm. ใจก็จะสามารถสกัดกั้นความคิดไม่ให้มันคิด mm. พอความคิดถูกสกัดกั้นบ่อยๆถ้ามีพุโทโธมากขึ้นมากขึ้นความคิดก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วบางครั้งก็บางช่วงก็อาจจะหายไปหยุดคิดไปเป็นพักๆก็ได้ช่วงไหนที่ ใจไม่ได้คิดอะไรช่วงนั้นก็ก็ไม่ต้องใช้คำบริกรรมก็ได้เพียงแต่ใช้สติคอยเฝ้าดูว่ามันคิดหรือไม่คิดถ้ามันคิดก็ต้องใช้กรรมฐานคือพุทธานุสติไว้คอยระงับมันใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธคอยระงับมันไปแล้วพอถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธินี่พอนั่งเฉยๆมีพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจนี้ไม่นานห้านาทีสิบนาทีใจก็นิ่งสงบเต็มที่ได้ ความคิดปรงแต่งหยุดอย่างยหยุดอย่างเต็มร้อยเลยจะทําให้เกิดอาการรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสุขสุขใจขึ้นมาอย่างมหัจจานใจเพราะเวลานั้นกิเลสตัณหาที่เคยมาสร้างความเศร้าหมองสร้างความาวามมุ่นวายใจต่างๆได้หยุดทํางานอย่างเต็มที่เลยใจก็เลยเกิดความนิ่งเกิดความสงบเกิดความสุขอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยอันนี้แหละเป็นวิธีสักพอจิตใจ ได้อย่างร้อยเปอเนต่เแต่ว่ามันยังเป็นร้อยซ์แบบชั่วคราวคือมันสงบร0อยเซนตมันนิ่งสงบไม่ทำงานร้อยซในขณะที่อยู่ในสมาธิอยู่ในฌานแต่เดี๋ยวพอสติอ่อนกำลังลงความโลภความโกรธมันก็จะผลักดันความอยากมันก็จะผลักดันให้ใจออกมาหามาคิดต่อพอเพื่อจะได้เอาความคิดนี้มาใช้ กับความอยากต่างๆเอามาก็ให้คิดถึงรูปเสียงก ล, ลาาิ่นรสผดตะเพะให้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เอ <oui. S 1> าคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพอยากจะไปหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราถ้าเราไม่จเจริญสติต่อเดี๋ยวความคิดนี้ก็จะพาให้พาใหา้ให้เราไปทําตามความอยากต่อไปได้ พอทําตามความอยากแล้วใจเราก็จะสะสมความเศร้าหมองให้มากขึ้นไปแต่ถ้าเรามีสติเราเคยฝึกสติก่อนที่เราจะเข้าสมาธิพ อ, ออกจากสมาธิเราก็ต้องฝึกสติต่อไปก่อน <Yeah. S 1> ถ้าสติเรายังไม่ไม่ชํานาญไม่อัตโนมัติมันฝึกสติให้มันชํานาญให้มันอัตโนมัติให้มันทํางานของมันเองโดยที่เราไม่ต้องมาคอยควบคุมบังคับสั่งมัน เช็นพออกจากสมาธิมาก็เริ่มพุโทโธใหม่ต่อเลยพอรพอรู้ว่าจะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุโทโธพุโทโธสกัดกัน้นเอาไว้ให้ทําอย่างนี้ก่อนให้เจริญสติกับการนั่งสมาธิให้มากมากก่อนจนเกิดความชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ในเวลาในระยะเวลาอันสั้นและสามารถอยู่ในสมาธิได้ในอยู่ได้นาน แล้วสามารถเวลาออกจากสมาธิมาก็สามารถจเจริญสติต่อได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีใครมาไม่ต้องมาคอยบังคับมันพ อ, อกจากสมาธิมาก็เริ่มพุโทโธต่อไปเริ่มคอยสกัดความคิดต่อไปถ้าเราทํานาญทางด้านสมาธิด้านสติแล้วเราถึงค่อยมาจะศึกษาทางด้านปัญญาเบื้องต้นถ้าเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรเราก็ต้องฟังเทศฟังธรรม ความคำสอนของพระพุทธเจ้าปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปรความเห็นที่ถูกต้องกับความคิดที่ถูกต้องพระพุทธเจาก็ทรงสอนว่าการมีสัมมาทิฏฐิให้มีอย่างไรก็ให้มใหีให้มีความเห็นว่าทุกนั้นเกิดจากตัญหาความอยากและการจะดับความทุกข์ที่มีในใจให้มันหายไปได้ก็ต้องใช้มรรคมรรคก็คือ การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานี้อันนี้แหละคือปัญญาสอนใจให้เรารู้ว่าความทุกข์ต่างๆเกิจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองนี่แล้วเราต้องใช้การปฏิบัติทานศีลภาวนามาเป็นเครื่องมือกำจัดมันแล้ววิธียกําจัดมันให้มันหายไปอย่างราบคาบก็ต้องมีปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นลาบยศ ส, สรรเสิญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้กระทั่งความสุขของสมาธิก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นายรักทางนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเร า, า, ายังไปยึดไปติดมันอยู่เราก็จะต้องทุกข์กับมันเพราะว่ามันจะไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดเวลามันให้ความสุขเราแบบชั่วครั้งชั่วคราว พอเราเห็นว่าเป็นตายรักทำให้เราทุกข์เราก็จะสกัดกั้นความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างถาวร อ, อันนี้เป็นการใช้ปัญญาถ้าใช้สติใช้สมาธินี่มันหยุดกิเลสตัญหาได้ชั่วคราวเหมือนเราหินทับหญ้าไว้เท่านั้นเองสมาธินี่เป็นเหมือนหินทับกิเลสเป็นเหมือนหินทับหญ้าแต่เราเหินไปทับบนหญ้าไว้หญ้าตรงนั้นก็จะไม่งอกขึ้นมา แต่พอยกหินออกแล้วปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งพอหญ้าได้น้ําได้แดดเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะรากมันยังไม่ได้ถูกถอนขึ้นมาจากดินฉัในใดสมาธิก็ไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาเครื่องสศรมวของต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เพียงแต่กดอันไว้กันป้องกันไม่ให้มันงอกงามขึ้นมาได้เท่านั้นเองในขณะที่อยู่ในสมาธิ แต่พออยอากสมาธิมาก็เหมือนกับยกหินออกจากหินที่ทับย่าออกไปพอไม่มีอะไรมาทับตรงนั้นพอได้น้ําได้แดดเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่กิเลสก็เหมือนกันพออยากสมาธิมาอมพอได้รับได้พอได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีวิธีที่จะทําให้ความอยากนี้หายไปอย่างถาวร หลังจากออกจากสมาธิมาก็ต้องมาทำลายความอยาก mm. การจะทำลายความอยากก็ต้องเห็นว่าปัญญาก็จะบอกว่าความอยากก็คือกิเลสตัณหาเครื่องเศร้งหมองนี้เป็นตัวที่จะทำให้ใจเราทุกข์อยู่เรื่อยๆถ้าเราไปส่งเสริมมันยิ่งส่งเสริมมันมันยิ่งไดง้มันยิ่งมีกำลังมากขึ้นมีมีมีการสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ mm. เราต้องคอยสกัดเราต้องคอยกำจัดมัน เพราะถ้าเราสกัดมันได้กำจัดมันได้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็จะหายไปแลวจะหายไปอย่างถาวรเพราะหายด้วยปัญญาปัญญาจะสอนว่ากิเลสนี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจต้องคอยกำจัดและวิธีกำจัดก็ต้องสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาอยากได้นั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาท้งนั้น อยากได้อะไรมามันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดมันดีคือนดีมันก็จะจากเราไปก็ได้หรือมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เช่นคนที่เราคิดว่าเขาจะมาเป็นคู่ครองของเราเราก็จะคิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเราเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่พอมาอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้จากคนที่เคยเอาอกเอาใจเรากลายเป็นคนที่เอาอกเอาใจเขาเอง เป็นคนเห็นแก่ตัวไปตอนที่คบกันใหม่ๆก็เอา อ, อเอาใจเราเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวพอไปอยู่ด้วยกันไม่นาน<ม>ก็เปลี่ยนไปททนที่จะเอา อ, อเอาใจเราเขากลับเอา อ, อเอาใจเขาเราก็ทำอย่างนี้ความสุขที่เราเคยได้จากเขาก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามา ท, าทันทีเพราะอะไรเพราะเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นของไม่เทีย่ยงเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับดินฟ้าอากาศ ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาดีกับเราเอา อ, อกเขาใจเราไปได้ตลอดเวลาเขาเปลี่ยนได้เหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวหนาวบ้างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนบ้างเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแรงคนก็เหมือนกันจิตใจของคนก็เหมือนดินฟ้าอากาศสามวันดีสี่วันไข้ถ้าเราไปหวังให้เขาดีกับเราทุกวันนี้เราจะต้องผิดหวังไม่ช้าก็เร็ววราเขาจะต้องเปลี่ยนไป แล้วพอเขาเปลี่ยนไปมันก็จะทําให้ใจเราเศร้าขึ้นะ mm hmm. พอเราเห็นความเศร้าที่จะตามมาจากการที่ไปได้เข้ามาเป็นแฟนแล้วก็เปลี่ยนใจดีกว่า mm hmm. อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบที่ได้จากการปฏิบัติธรรมดีกว่าโ mm hmm. ดยการระ ง, งับความอยากพอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่จะตามมาก็หายไป mm hmm. ใจก็สงบลงทันที mm hmm. ใจก็กลับมาเป็นปกติ อยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรก็ได้อันนี้แหละเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิต้องเข้าใจหลักของอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรจม์นะต้องเข้าใจหลักของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาว่าเขาทํางานอย่างไรเขาส่งผลให้เกิดความทุกข์กระจายได้อย่างไรอันนี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัตินั้นจะไม่เห็นแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเวลาเกิดความทุกข์ใจนี้ถ้าเรา อยู่ในใจเราเฝ้าดูใจอยู่เราจะรู้ทันทีว่าพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บใจเราเริ่มร้อนขึ้นมาทันทีแล้วใจเราเริ่มไม่เป็นปกติแล้วเริ่มมีอาการรู้สึกกังวลกระวาย ก, กระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีแต่เวลาที่เราไม่มีความอยากนี่เราจะเห็นว่ามันต่างกันเวลาจิตไม่มีความอยากใจก็นิ่งสงบสบายเหมือนกับสระน้าเนี่ยสระน้าถ้าไม่มีใครลงล ง, ลงไปเล่นน้า จากน้ำมันก็จะนิ่งมันก็จะผิวมันก็จะไม่มีไม่มีไม่มีไมมอไม่มีคลื่นเอแต่พอมีคนมันกระโดดลงไปเล่นในน้ําเนี่ยไปไว่ายน้ําน้ําก็เปลี่ยนไปทันทีมน้ำจากที่ที่มันสงบก็กลายเป็นน้ําที่มีมีมีอะไรต่างๆอืทําให้น้ํามันไม่สงบไม่นิ่งเลยแตในใจก็เหมือนเหมือนน้าในสระนี่แหละ เวลาไม่มีกิเลสตัณหาเนี่ยใจนิ่งเหมือนกับไม่มีคนลงไปเล่นน้ำในสระแต่พอเวลามีคนลงไปเล่นน้ำในสระน้าก็ไม่นิ่งละฉันใดเวลาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาปั๊บใจที่เคยนิ่งเคยสุขเคยสบายก็หายหายไปทันทีความนิ่งหายไปเกิดความวุ่นวายใจเกิดความ ก, กาังวลกังวยเกิดความวิตกกังวลอะไรต่างๆขึ้นมาทันทีเพราะความอยาก พออยากได้แล้วแล้วมันมันก็จะมีความรู้สึกกระสับกระส่ายว่าจะได้หรือไม่วิตกกังวลมีความ ร, รู้สึกไม่ค่อยสบายใจต้องไปเอาให้ได้ถ้าให้ได้แล้วใจถึงจะกลับมาสงบอีกแต่สงบแบบนี้ไม่ดีเพราะมันสงบเดียเด๋ยวเดียวเดียวพอสิ่งที่ได้มามันมันจางหายไปมันความสุขที่ได้จากมันจางหายไปมันก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีก แต่ถ้าเราทํามันสงบด้วยการไม่ไปทําตามความอยากนี่ใจก็จะสงบแบบถาวรเพราะความอยากตัวนี้มันจะไม่กลับมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจเราอีกต่อไปนอกจากความอยากตัวอื่นที่เรายังไม่ได้ไปกําจัดมันแต่ไม่ว่าจะเป็นความอยากตัวไหนก็ตามแบบไหนก็ตามเราก็ใช้วิธีเดียวกันนี้่เราใช้ใช้อริยสัจสี่ใช้ใจรักณมาเป็นตัวคอยสอนใจให้เราเห็นโทษของ ของการกทําตามความอยากแล้ว เ, เห็นโทษของผลที่จะตามมาจากการทําตามความอยากว่าจะมีแต่เรื่องมีแต่ความทุกข์ตามมาเพียงอย่างเดียวพอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วต่อไปเวลาใจอยากได้อะไรเราไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์อย่างแน่นอนขณะที่อยากก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันต้องเรียบหยุดพอคิดอยากจะได้อะไรต้องหยุดมันทันทีดีกว่าพอหยุดปั๊บใจมันก็สงบ พอไม่หยุดใจก็จะเริ่มก็เพิ่มขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราเข้าใจหลักอริยสัจสีเข้าใจตายรักนี้เรามีถ้าเรามีสติคอยเฝ้าดูใจนี่พอเกิดความอยากเกิดความโลภขึ้นมาปุ๊บนี้ต้องหยุดมัน ท, ทันทีอย่าปล่อยให้มันไปทําตามความอยากถ้าไปปล่อยให้มันไปทําแล้วมันยิ่งมันจะพาเรื่องของความทุกข์ต่างๆเข้ามาในใจเรา ท, าทันทีนี่แหละคือวิธีการใช้ ใช้การซักพอกด้วยปัญญาที่จะเป็นวิธีที่จะทําให้การซักพอกกิเลสตัณหาเครื่องเศร้มองนี้หมดไปอย่างถาวรวิธีอื่นยังไม่สามารถทําได้สมาธิก็ซักพอกให้มันสงบตัวอยู่ชั่วคราวได้แต่เวลาออกจากสมาธิมามันก็กลับพื้นขึ้นมาได้การวิธีของศีลก็เบียงเพบงแต่การคอยสกัดกั้นมันเท่านั้นเองแต่ยังหยุดมันไม่ได้ พอวันไหนไม่ถือศีลขึ้นมาหรือวันไหนตะบะแตกไม่สามารถรักษาศีลได้กิเลสตันหามันก็จะพุ่งออกมาทันทนีการทำทานก็เหมือนกันการทำทานก็เพียงแต่ลดกําลังของความโลภความอยากต่างๆนะให้น้อยลงไปเท่านั้นเองแ ต, แต่มันยังไม่หมดไปแต่ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนทำจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากขั้นแรกก็คือการทาบุญทาทานขั้นนี้ง่าย เพราะเราไม่เดือดร้อนอะไรเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เราเอาเอาไปบริจากเราได้ประโยชน์มากกว่าการนำเงินทองไปซื้อของตามความอยากเพราะมันจะได้ความหิวความทุกข์ตามมาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็มารักษาศีกันทำทานได้แล้วการรักษาสินก็จะง่ายขึ้นเพราะคนทำทานนี้จะไม่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะทำอะไรก็ต้องไม่อยากให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อน เพราะคนทําทานอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากให้คนอื่นมีความสุขก็จะรักษาศีห์ห้าได้ง่ายแล้วพอรักษาศีห์ห้าได้ง่ายก็จะไปเพิ่มเป็นศีห์แปด ก, ก็ไม่ยากเย็นจนเกินไปศีหก็จะคอยสกัดกั้นความอยากความโน้มต่างๆให้มันอ่อนกําลังลงแล้วพอเรามาใช้สติเจริญสตินั่งสมาธิมันก็จะ ง, ง่ายเพราะกิเลสตัณหาได้ถูกสกัดกั้นได้ถูกตัดกําลังด้วยกําลังของการทำบุญทําทาน ของการรักษาศีลนี่งยิ่งทำให้การควบควบคุมความอยากต่างๆกิเลสตัณหานี้มันก็จะง่ายขึ้นทําให้จิตเข้าสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นสงบได้ง่ายขึ้นถ้าไม่ทําบุญทาทานเลยไม่รักษาศีลเลยแล้วมาฝึกสมาธินี้จะรู้สึกยากมากจะไม่สามารถทําได้อย่างง่ายได้ แต่พอมีทานมีศีลสนับสนุนการเจริญสตินั่งสมาธิก็จะง่ายขึ้นกว่าการที่ไม่ได้ทําทานนักษาศีลแล้วพอได้ทําทานนักษาศีลได้สมาธิพอมาเจริญปัญญาก็จะยิ่งก็จะง่ายกว่าการที่ไม่มีสมาธิไม่มีศีลไม่มีทานสนับสนุนการปฏิบัติการซักพอกจิตใจจึงจําเป็นจะต้องทางํทาตามขั้นตอนต่างๆมันเป็นการขึ้นบันได ขึ้นเราต้องขึ้นที่ขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยจากขั้นที่หนึ่งก็ไปขั้นที่สองจากขั้นที่สองก็ไปขั้นที่สามจากขั้นที่สามก็ไปขั้นที่สี่ขั้นต้นมาทําบุญทําทานก่อนเอาเงินที่จะไปใช้กินใช้ดื่มใช้เที่ยวที่ไม่จําเป็นไปเที่ยวไปดูไปฟังไปเสพรูปเสียงกิริยานี้เอาไปทําบุญทําทานแทนแล้วขั้นที่สองก็ไปรักษาศีลห้าให้สะอาดบริสุทธิ์ขั้นที่สามก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยการรักษาศีลแป แล้วก็จเจริญสตินั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนไปอยู่วัดไปท้าสถารที่สงบเพื่อเพื่อการปฏิบัติพอได้สมาธิแล้วก็เวลาออกจากสมาธิมาก็มาศึกษาสอนใจให้เกิดสมาธิฏฐิเกิดปัญญาให้เห็นอริยสัจสีให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษก็จะรู้ว่าตัณหาความอยากเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจ ในการจะนับตัญหาความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่ตัญหาความอยากอย่างได้นั้นเป็นไตรลักษณ์เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าทําอย่างนี้ได้ต่อไปความอยากทั้งหลายที่มีในใจก็หมดไปการทัฟฟ้อของใจก็จะสะอาดบริสุดขึ้นมาไม่มีวิธีอื่นไม่มีทีนี้วิธีเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ได้สอนวิธีอื่นเลยใครอยากจะทัฟฟ้อจิตใจก็ต้องปฏิบัติแนวของทานศีลภาวนา รือฐานศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นแนวทางอื่นไม่เป็นไม่ใช่เป็นทางสู่การสู่ความบริสุทธิ์ของจิตใจ<ม>นี่คือเรื่องของหน้าที่หรืองงานของชาวพุทธเราที่พูะเจ้าทรงมอบให้เรามาทำกันในวันพระให้เราหยุดทำงานหาเงินหาทองหนึ่งวันเพราะเงินทองเราหามาได้มันเหลือกินเหลือใช้มันพอกินพอใช้อยู่แล้ว<ม>เอาเวลามาซักพอกจิตใจดีกว่า เพราะถาไม่ซักพอกจิตใจใจก็จะเศร้าหมองไปเรื่อยๆแล้วจะไปแล้วก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรยไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วต่อไปจิตใจของเราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจิตใจของเราก็หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนี่คือเรื่องของการซักพอกจิตใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปภิกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางมุประกปฏิอิที่ต่างปฏิต่างตุมหังคิพะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสามกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อระโสยะธาสัพิติยวิวาันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตตะวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวัตนาสีนิสนิจังวุทฒาปะจายโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขัง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 กรตั้งพิการครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ314ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ343ท่านทาง u t u b e ดรวีสีท่านทางวิทยุออนไลน์14ท่านรับ h อา s e 6ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ86ท่านรวมทั้งหมด806ท่านครับ กรธรรมสการพระอาจารย์เาค่ะมีคาถามจากผู้รับฟังธรรมหน้ากุติกราบนรัมสการท่านพระอาจารย์สุชาติขอถามคนที่มีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นจะได้รับผลเช่นไรคะก็ได้รับความทุกข์ตามมาทีหลัง เ, เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาหาเรา ให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราเหมือนลูกเปิงปองเราตีใส่ฟ้าผนังเดี็กมันก็เด้งกลับมาหาเรามีศรัทธาญาโยงอย่างกระทางคำ<ข>ถามค่ะคำถามข้อที่สองคนที่ทําอะไรก็ได้เพื่อให้ได้กิเลส ต, ตัณหาของตัวเองเท่านั้นเป็นจะได้รับผลเช่นไรและควรจะทําตัวเช่นไรดีคะ กิเลสตัณหาก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราจะพาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเจ้าค่ะคำถามจากพู้รับฟังธรรม น, นักกุฏิเป็นคำถามยาวนะคะจะสรุปสั้นๆค่ะว่าข้อที่หนึ่ง โยมถามเข้ามาว่ามีผ้าย้ายมาประจำมาจาวัดที่บ้านตั้งแต่ท่านมาอยู่วัดสะอาดสะอ้านแต่อยู่มาวันนึงท่านมีเหตุต้องใช้เงินเพื่อจ่ายประกันชีวิตของตัวเองเพื่อเงินประกันเนี้ยเพื่อมอบให้บุพการีเวลาท่านมรณภาพไปแล้วแบบนี้ผิดศีลหรือกฎของสงฆ์หรือไม่คะเคื่อยนทาวนี้มีอยู่สองส่วนด้วยกัน ถ้าถวายให้กับวัดถวายให้ส่วนรวมนี่ท่านเอาไปใช้อีไม่ได้แต่ถ้าเป็นของถวายส่วนตัวนี่เป็นของท่านท่านจะเอาไปให้ใครก็ได้เจ้าค่ะแล้วก็คำถามต่อมา เวลาท่านป่วยไปไปรักษาฟรีแล้วเราท่านอาการไม่ดีขึ้นนะคะตอนน่าพาดก็เลยไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มีมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ปัจจัยที่ท่านมีนี้ท่านก็แบ่งให้บุพการีบ้างแล้วก็รักษาตัวเองบ้างจนปัจจัยไม่มีเลยไปหารับจ้างตัดอ้อยซึ่งได้รับอนุญาตจากาพระผู้ใหญ่ทีนี้มีมคทายกมคทายินีมาะคะ่ะของที่วัดะคะ่ะ ไปไปได้ข่าวมาก็เลยมาด่าทอท่านที่วัดให้หอภัยญาติโยมแบบนี้ค่ะท่านท่านคือพระไม่ควรไปทำอาชีพแบบญาติโยมพระมามาบวชเพื่อมาฆ่ากิเลสไม่ใช่เพื่อเพื่อที่จะมารับใช้กิเลสการรักตัวกลัวตายนี่ก็เป็นกิเลสอย่างหนึง่งพระเจ้าสอนนักบวชนี่ต้องยอมตายต้องกล้าตายไม่กลัวตายไม่กลัาากวเจ็บ ถึงเวลารักษาก็รักษามันไปตามอัตภาพสมัยพุทธเจ้าท่านก็กินยาดองน้ำมูดกันไม่มีโรงพยาบาลเอกชนถ้าไปรักษาท่านให้ใช้ธรรมบำบัดให้ใช้ธรรมโอสรสให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาทําใจให้สงบแล้วใจสงบแล้วใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางจะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายได้ ก็ไม่ต้องไปดิ่นรนไปทํางานทําการไม่ต้องไปหาเงินหาทองมารักษาร่างกายแต่อย่างใดมีแสดงว่าท่านบวชแล้วไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนไม่รู้ว่าการมาบวชนี้บวชเพื่ออะไรท่านก็เลยทําตัวเหมือกับเป็นคารวะผู้ของเรือนก็จะทําให้ตัวเองเสื่อมศรัท ธ, ธาคนข้อจะเสื่มศรัท ธ, ธาในตัวของท่านได้าก็อาจจะทําให้ศรัท ธ, ธากับศาสนาอาจจะเสริมตามลงไปด้วยก็ได้ สำหรับคนที่ไม่เข้าใจแต่สำหรับคนที่เข้าใจหลักของศาสนาแล้วจะไม่รู้สึกสเสริมศรัทธากับศาสนาก็จะเสริมศรัทธากับเฉพาะบุคคลที่ทำให้ที่ทการทำตนอย่ไม่ไม่เหมาะไม่สมเท่านั้นเองใช่ค่ะคําถามที่สองพระแม่ชีนักบวชชีพราหม์เวลาทํากิจส่วนตัวเช่นหนับน้ําต้องจําเป็นใส่ผ้าอาบน้ําหรือไม่คะ อยไปถามเขาดูเลยม่น้องไปไม่มีก่อนห้ามตายตัวหรอกนะค่ะจาก YouTube ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะวิธีรักษาโรคซึมเศร้านั่งสมาธิวันละสิบห้านาทีทุกวันจะรักษาหายได้ไหมแล้วคะขอคำแนะนำจากอาจารย์ไม่ได้สิบห้าชั่วโมงถึงจะได้สิบห้านาทีน้อยไป ถ้าเจริญสติได้สิบห้าวัน15สิบห้าชั่วโมองรับประกันได้หายวันสองวันก็หายได้เลยพอจิตสงบเมื่อไหร่อาการซึมเศร้าก็หายไปจิตจะสดชื่นเบิกบานขึ้นมาทันทีเจ้าค่ะจักคุณนาวินกราบเียนพระอาจารย์โสดาปฏิมกักต่างจากโสดาปฏิผลอย่างไรบ้างครับก็เหมือนกับการหวานข้าวการหวานข้าวนี้เป็นเป็นเป็นมกักแล้วพอเกี่ยวข้าวก็เป็นผล ต้องปลูกข้าวก่อนนอกถึงยาเกี่ยวข้าวได้มรรคก็คือต้องสร้างปัญญาที่จะมาละกิเลสที่ทําให้เป็น<ม>ที่ทําให้ไม่ได้เป็นผ้าโซดาบันก่อนก็คือมาละกิเลสคือตัววิจิตกิจฉ า, อ, าอะไรสักกายทิฐิแล้วก็ตัวศีลพัฒน์ปัตตมาก็ต้องใช้ส ต, ติใช้ปัญญาใช้สมาธิใช้ศีลเป็นเครื่องมือนี้เรียวกวมรรคการเจริญมรรค ก็คือมามาศึกษามาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเข้าใจนั้นมันความเข้าใจผิด<ม>เราไม่มีตัวตน<ม>ถ้าละตัวตนได้เราก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ก็เป็นมรรคเจ้าค่ะจากคุณทีรคัฒนาวันพระสามารถทานเป็นปรมัติ และมีใบชะพูด้วยได้ใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าเคี้ยวผักได้ไหมเจ้าค่ะกราบในความเมตตาคือของกินหลังใบ<ม>หลังจากเที่งวันไปแล้วนี้ถ้าเป็นยา<ม>ก็กินได้<ม>ถ้าไม่ใช่เป็นยาก็กินไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเคี้ยวหรือไม่เคี้ยวยาบางอย่างก็ต้องเคี้ยว<ม>แต่ถ้าเป็นของที่มันไม่ใช่เป็นยา<ม>แล้วไปกินนี่ไม่ได้<ม><ม>นี่ก็ต้องต้องศึกษาดูว่าอันไหนเป็นยาไหนเป็นอาหาร อยม อ, อมถามก่นอเนเลยใกับนักบรชอาจารย์เจ้าค่ะเรียนถามว่าในทั้งโลกนะคะเ้าสอนให้กระตันยูแล้วก็มีความเมตตากับร่างกายเราค่ะตื่นเช้ามาก็ให้แบบระลึกว่า มีร่างกายนี้มีดวงตามีอวัยวะส่วนๆนยคะ่ะให้ขอบคุณร่างกายให้ขอบคุณบ้านให้ขอบคุณรถอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเป็นความหลงหรือเปล่าเจ้าคะคือให้เราเห็นคุณค่าของมันท่านเอง<ช>ไม่ได้ไม่ได้หมายควาให้เรามีความกตันอยู่กับมันค่ะเราไม่ต้องตอบแทนอะไรมัน ค, ความกตันอยู่คือการสํานึกในบุญคุณแล้วก็ทําการตอบแทนบุญคุณของบุคคลนะั้น ตัวร่างกายนี้มันก็เป็นเครื่องมือที่เราเอามาใช้ในการดําเนินชีวิตของเราเราก็ต้องดูแลรักษามันให้ดีเพราะมันมีประโยชน์เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งถ้าเป็นรถยนต์เราก็ต้องดูแลรักษาให้มันดีเพื่อที่เราจะเอาไปใช้มันได้เวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะไปได้อย่างสะดวกท่านั้นเองไม่ได้เป็นวิฉาทิฏฐิอะไให้ให้รู้ถึงคุณประโยชน์ของสิ่งที่เรามีอยู่ว่าเขามี มีมีประโยชน์เพื่ออะไรได้อ่านหนังสือกยายคตาสติในช่วงที่ปฏิบัติอยู่นะเจ้าค่ะแล้วพอไปดูภาพเนี่ยค่ะจะถามต่อว่าในเมื่อเราขอบคุณแล้วก็รู้สึกรู้คุณค่าของอวัยวะแล้วพอเรามามาพิจารณาอสุภะแบบนี้ค่ะ <c oughs> มันทำให้ไม่ได้กลัวด้วยเจ้าค่ะว่าก็ดี <c oughs> <c oughs> เราต้องการดูร่างกายให้ครบถ้วนเราจะได้ไม่หลงไปคิดว่ามันสวยงามร่างกายมันเป็นเหมือนของเหมือนเหรียญสองด้านมีด้านที่น่าดูด้านที่ไม่น่าดูถ้าเราดูแต่ด้านที่น่าดูเราก็จะหลงรักมันง <al> นั <corps> ้นถ้าเราไม่อยากจะไปรักใครเราต้องมองด้านที่ไม่สวยงามด้วย <sa> เราจะได้อยู่คนเดียวได้เป็นนักบวชได้ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่เห็นหน้านสวยงามเราเดี๋ยวก็อยู่เป็นนักบวชไม่ได้ ก็อยากจะไปอยู่กับเขาเพราะเรารักเขาชอบเขาไม่มา แ, แต่ถ้าเรามองในด้านของที่ไม่สวยงามของเขาด้วยมันก็จะทําให้เราไม่อยากจะไปอยู่กับเขาแต่ยังมองเป็นเป็นรูปภาพอยู่เลยอะเจ้าค่ะไม่ก็เหมือนกันรูปภาพกับของจริงมันก็เหมือนกันถ้าอยากจะไปดูของจริงก็ไปดูที่โรงพยาบาลไปดูที่เ อ, อมหาลัยที่เขาสอนแพทย์สอนหมอนี่ก็จะมีวิชาผ่าตั ก็ไปขอเข้าไปชมด้วยก็ได้ดดขออนุญาตเขาเขาก็จะอนุญาตให้เข้าไปดูได้ใหรจดดูของจริงเจ้าค่ะขอบคุณค่ะหมดคำถามแล้วเจ้าค่ะมีคำถามจากทาง YouTube ถามเขามาว่าหากเราปฏิบัติอย่างสม่าเสมอคือทานตามฐานะ วาระโอกาสศีลแต่มีไม่สมบูรณ์บ้างบางครั้งในเรื่องเล็กๆน้อยๆและภาวนายังไม่เก่งแบบนี้สามารถตัดภพตัดชาติให้สั้นลงได้บ้างหรือยังคะเจะว่าตัดก็ได้บางส่วนแต่ไม่ได้มากพอต้องทำให้เต็มร้อยถึงจะตัดได้เต็มร้อยเลยถ้าทำร้อยละสิบก็ตัดได้แค่ร้อยละสิบาังกันดูที่เหตุ เหตุเท่าไหร่ผลก็เท่านั้นมันั่งเงินฝากธนาคารสิบบาทเวลาเบิกก็เบิกได้แค่สิบบาทกรบบวกกระดอกนิดหน่อยเ้าไปเบิกเบิกร้อยนึงเขาก็ไม่ให้จากเ e b o o k เจ้าเราสามารถเจริญปัญญาขณะที่เรานั่งสมาธิได้หรือไม่คะเวลานั่งสมาธิเราต้องการหยุดความคิดจึงไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเจริญปัญญา เพราะการเจริญปัญญาต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเราอยากจะนั่งแล้วเจริญปัญญาเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้นั่งสมาธิเรานั่งนั่งปัญญาเราเจริญปัญญาก็ได้แต่การนั่งส่วนใหญ่เราจะนั่งเพื่อให้มันได้สมาธิมากกว่าเพราะเป็นท่าเดียวเท่านั้นที่จิตจะสงบเป็นสมาธิได้การเจริญปัญญานี้เราสามารถเจริญได้ในทุกที่ทเาบทดเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ แต่เวลานั่งนี้เรามักจะเน้นเน้นเนืนเ้อของการทำสมาธิมากกว่าแต่ถ้าเราอยากจะเจริญปัญญาก็ได้แต่เราจะไม่ได้สมาธิเช้าค่ะคำถามจากผู้รับฟังธรรมานุคูติกราบเรียนถามเรื่องอุปสมานุสติว่ามีแนวการปฏิบัติอย่างไรคะออต้องต้องค้นหาใน g o o g l e ดีกว่านะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ค, คำถามต่อไปการพิจารณาความว่างหรือมองโลกว่าเป็นไปโดยความว่างนับรวมในกรรมฐานนี้หรือไม่คะคือความว่างนี้หมายถึงว่ามันไม่มีความหมายร่างกายของเรานี่มันไม่มีความหมายมันไม่มีชื่อเราไปตั้งชื่อขึ้นมาเองชื่อในกอชื่อในขอแล้วก็ไปตั้งอะไรหลายอย่างขึ้นมาเป็นเพศหญิงเป็นเพศชาย เป็นข้าราชการหรือเป็นพลเรือนอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติเท่านั้นถ้าความจริงแล้วสิ่งอันนี้มั น, ม, น ม, มันไม่มีเราถ้าเห็นต้นไม้เฉยๆถ้าเราไม่ไปคิดปรุงแต่งเราก็สักแต่ว่าเห็นนั่นเองว่างจากความหมายว่างจากความคิดเห็นต่างๆค่ะคำถามจากท่านเดิมค่ะคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสแกพระพาหิยะ เป็นไปเพื่อกรรมฐานนี้ใหม่เจ้าคะใช่ก็ให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่มีตัวตนไม่มีความหมายอะไรใจเราไปคิดปรุงแต่งไปให้ความหมายมันเองความจริงมันก็เป็นแค่รูปเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นว่าเป็นรูปไม่มีความหมายว่ามันดีมันชั่วมันสุขมันทุกข์แต่อย่างไรได้ยินเสียงก็ได้สักแต่ว่าได้ยินเสียงไม่ว่เสียงนี้ดีเสียงนั้นไม่ดีมันไม่มีหรอกเราไปให้ความหมายของมันเองความจริงมันไม่มีความหมายให้รู้เฉย คำถามจากท่านเดิมเจ้าค่ะมีข้อติดขัดในการปฏิบัติเมื่อนานมาแล้วเจ้าค่ะหลังเข้าวัดปฏิบัติธรรมกลับมาประคองกรรมาฐานเจริญสติในชีวิตประจําวันอย่างเดียวประมาณเดือนหนึ่งรู้สึกสติดีไม่ง่วงระหว่างวันจนวันหนึง่งพอจะโกรธใจยังไม่ทันคว้าความโกรธก็รู้สึกไม่ไหวเหนื่อยยอมแพ้ไปหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งวิทยุปเปิดเพลงที่ชอบใจ กระโดดเข้าความกระโดดเข้าคว้าความพอใจนั้นเต็มแรงจิตรู้สึกเสียดแทงจึงรีบปล่อยทันทีและรู้สึกขยาดจนไม่เข้าไปจัดอารมณ์ใดๆดูไว้ห่างๆใจสงบลงเรื่อยๆแต่พอมีความสุขก็กลับพบทุกละเอียดผุดขึ้นมาเรื่อยๆยุบยิบยิบยิบถี่ขึ้น จนรู้สึกอยู่ไม่สุขในใจคิดว่าที่ผ่านมาเราทนอยู่กับความทุกข์พวกนี้ได้อย่างไรพอไม่ไหวจึงคิดหลบดูลมหายใจแทนแต่รู้สึกมีช่องว่างเยอะเกินไปจึงหาดูอะไรที่ถี่กว่านั้นคือเกาะการเติบคือเกาะการขยับของหัวใจกับรู้สึกชัดเหมือนถูกชัง ในในช่วงอกถูกขังในช่วงอกใจเต้นที่โคงทั้งตัวรู้สึกเหนื่อยหอบสุดท้ายไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรจึงพยายามถอยตัวออกมาแต่ถอยอย่างทุกข์จบหยุดปฏิบัติในตอนนี้ค่ะกรณีคือเราเอาจิตแนบสิ่งที่ถูกรู้มากไปใช่หรือไม่เจ้าคะไม่หรอกเราสติเรามีกำลังไม่พอ ้องใช้คำบริกรรมแทนจะดีกว่าบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจะทำให้เกิดสติมากขึ้นแล้วจะทำให้ใจสงบหายทุกข์ได้ค่ะคำถามจากท่านเดิมค่ะเคยลองคิดหลบเข้าสมาธิด้วยการดูลมแต่จิต ถอยออกไปรับรู้ตลอดควรแก้อย่างไรดีเจ้าคะและต้องปฏิบัติอย่างไรให้สู้หรือว่าวางอุเบกขากับสภาวะแบบนี้ได้ขอคําแนะนําเจ้าคะ่ะก่อนหนึ่งก็ต้องเข้าสมาธิให้ได้ก่อนเพื่อจะได้มีอุเบกขา <c oughs> ถ้ามีอุเบกขาแล้ว <c oughs> ก็ใช้อุเบกขาสู้กับความจริงต่างๆได้ถ้ายัางสู้ไม่ไหวก็ต้องใช้คําำมือคำพุโทโธพุธโทโธ นึงจิตให้เข้าไปข้างในก่อนให้ไปนิ่งอยู่ในอุเบก้าก่อนพอจิตมีอุเบกขามากๆแล้วพอปล่อยออกมาก็จะนิ่งเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้คำถามจากผู้รับฟังธรรมานาคุติฝากถามเข้ามาว่าขอพระอาจารย์อธิบายโทษของผู้ที่มีโทสะจริตเป็นฐานแต่เบื้องหลังของโทสะคือเจตนาที่ดีเช่นไปทาบุญใหญ่แต่งดหงิด ใจร้อนโวยวายอยากให้ได้หลั่งใจตลอดทั้งวันได้กุศลหรืออกุศลมากกว่าคะคือการทําบุญก็ได้กุศลในในอนิสงส์จากการทําบุญแต่ความอยากทําตามใจของตนเองเราไม่ได้สามารถทําได้ก็เป็นอกุศลเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเหตุเวลาทําอะไรต้องอย่ายึดกับความอยากมากจนเกินไปให้มันพอดีกับความเป็นไปความเป็นไปได้ อยากจะทําเท่านี้ก็ทําไปเท่านี้อย่าไปอยากทํามากกว่านี้พอไม่ได้มากกว่าที่เราอยากได้มันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ยิ่งเวลาทําอะไรก็อย่าไปเอาความอยากเป็นที่ตั้งเอาความจริงเป็นที่ตั้งคือความสามารถของเราเราทําอะไรได้เท่าไหรเราก็ทําไปตามกํากลังของเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่เราก็จะไม่โกรธใคร คำถามจากทางยูทูบเจ้าค่ะกราบธรัสการพระอาจารย์สอบถามว่าการปฏิบัติซึ่งทานศีลภาวนานี้จะเป็นเหตุให้ตัดภพตัดชาติให้สิ้นลงได้หมายถึงต้องได้อริยขั้นต้นคือโสดาบันก่อนถึงจะตัดภพตัดชาติได้ใช่ไหมคะคือคามจริงมันก็มันก็เริ่มตัดไปเรื่อยๆก็เกลีด น, น้อยลง การหาน้อยลงพบชาติก็จะน้อยลงไปแต่ถ้าให้มันชัวร์ๆก็ต้องระดับของโสดาบันขึ้นไปอันนี้จะแบบว่าเหลือน้อยมากโสดาวันเหลือแค่เจ็ดชาติสกิดาคามีเหลือแค่ชาติเดียวอนาคามีไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปอาลหัน์ก็ไม่กลับมาในตายพบเด็กต่อไป เจ้าค่ะคำถามจากผู้รับฟังธรรมะนาคุติถ้าเราพอเห็นความต่างระหว่างจิตที่ตามใจกิเลสแล้วทุกไปช่วงหนึ่งเทียบกับตอนที่ใจได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วรู้สึกมีความสุขผุดเป็นช่วงๆรู้สึกสบายแบบนี้ถือว่าเป็นการซักฟอกใจขั้นไหนครับ ก็ท่านภาวนาขั้นสติเรารังงับความอยากได้ใจเราก็สบายขึ้นมาถ้าเราเห็นว่าการไปทําตามความอยากทําให้เกิดทุกข์ตามมาก็จะเป็นขั้นปัญญาแล้วแต่ว่าเรารังับแบบไหนถ้าเรางับด้วยสติแต่ยังไม่ได้ใช้ปัญญาก็จะเป็นขั้นสมาธิขั้นขั้นห็นทับยาไว้ชั่วคราวแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าการทําตามความอยากต่างๆนี้จะพาให้เราไปเจอกับความทุกข์ อันนี้ก็เรียกเป็นขั้นของปัญญาเราก็จะไม่อยากต่อไปเจ้าค่ะจากผู้รับฟังธรรมานากูติในอายุ ป, ปัจจุบันหมดความรู้สึกการราคะแล้วแต่เมื่อถูกทดสอบสภาวะธรรมให้เกิดการราคะอีกควรแก้ไขหรือวานจิตอย่างไรเจ้าคะ่ะถ้าเราพ้นแล้วเราก็เฉยเฉย น, ะนันเองไม่เ ส, สกมีจะไม่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมา ถ้าเกิดการมาลมก็แสดงว่ายัางตัดไม่ขาดก็ต้องใช้อสุภามาตัดให้มันให้ขายพอมีการมาลมก็ต้องนึกถึงอาการสามสิบสองนึกถึงสร้างศพขึ้นเลย่ค่ะจาก YouTube ขอความเมตตาพระาจารแนะนำวิธีการถอนจากสมาธิเพื่อมาเจริญปัญญาด้วยครับไม่ต้องมีวิธีเราเรานั่งสมาธิไปจนกว่ามันจะนั่งไม่ได้ อจิตถอนออกมาเองอย่าไปดึงอย่าไปดึงจิตให้มันออกมาปล่อยให้มันออกมาเองพอออกมาเองพอมันเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มาคิดถึงเรื่องตายรักคิดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดถึงอริยาาสัจสีคิดถึงเรื่องของร่างกายเป็นต้นเจ้าค่ะจากคุณเปียคําถามผมทําบุญแต่ละครั้งไม่ค่อยอธิฐานบุญให้กับตัวเองแต่จะอธิฐานให้กับ บุพการีพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณที่เคยช่วยเหลือเรามาแล ะ, ะและภระรยาที่เสียชีวิตไปแล้วคําถามคือผมจะได้รับบุญไหมครับขอบพระคุณครับทําบุญนี่ทําให้คนอื่นไม่ได้มันกินข้าวเนะี่ยกินทางคนอื่นไม่ได้กินข้าววันมื้อนี้ขอให้คนนั้นอิ่คนนี้อิม่มันไม่อิ่มเราเราอิ่มเราคนเดียวอืมงั้นเราจะอธิษฐานยังไงก็มันก็ไม่ไม่เกิดผล เพาเหตุมันไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราทําบุญเราก็จะเป็นผู้ได้บุญแล้วเราก็า จ, จะแบ่งบุญนี้ให้กับคนตายได้ท่านนั้นเองแต่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับเราส่วนคนเป็นนี่ก็เอาาอยากให้เขาอิ่มก็ซื้อข้าวไปให้เขากิน ften. เรากินแทนเขาไม่ได้เขาต้องกินเอง<ม>เขาต้องมีข้าว<ม>ถ้าเขาไม่มีข้าวเราก็ซื้อข้าวไปให้เข า, ขากินพอเขากินแล้วเขาก็จะอิ่มเหมือนเรา จ้าค่ะจากเฟซบุ๊กจ้าค่ะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เครื่องบินกำลังจะตกเรารู้แล้วว่าเรากำลังจะตายแน่ๆเราควรวรจิตอย่างไรไม่ให้ไปอบายคะทำใจเฉยๆถ้ามันไม่เฉยมันตื่นเต้นตกใจก็ต้องใช้พุทโธพุทโธะอ ง, งับมือหรือใช้ปัญญาก็บอกร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดาปล่อยให้มันตายไป อายอมตายได้จิตก็จะสงบแล้วก็จะไปสวรรค์ไปเป็นพระโสดาบันไปพระอาจารย์ยกตัวอย่างการเจริญปัญญาขณะยืนเดินนั่งนอนหน่อยค่ะทำยังไม่เป็นขอบอคุณค่ะก็คิดถึงร่างกายเราก่อนก็นกได้ร่างกายเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ก็เป็นการเจริญปัญญาเจริญบ่อยๆจนกระทั่งมันยอมรับให้ได้ อันนี้ใจเรายังไม่ยอมรับความแก่ยังไม่ยอมรับความเจ็บยังไม่ยอมรับความตายต้องสอนมันไปอยู่เรื่อยจนกว่ามันขอพอแล้วพอแล้วยอมแล้วยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแล้วไม่ฝืนแล้วไม่ไปทําสัญญกรรมนะหนังหิวหนังย่นก็ไม่ทําผมขาวผมหงอกก็ไม่ไปยอมอ่าไม่ว่ายอมแก่นะเวลาไปเจอหมอหมอบอกไปโรกมาเลยงนาะเป็นก็เป็นว่ายินดีต้านรับไม่ทุกข์กับมันแต่หมอว่าจะต้องตายไปในหกเดือนนะตายก็ยอมตาย ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญปัญญาแล้วก็เจริญปัญญาจนกระทั่งดับความทุกข์ในใจได้ถ้าเรายอมแล้วมันความทุกข์ก็จะหายไปที่มันทุกข์เพราะเราไม่ยอมแก่แล้วไม่ยอมเจ็บแล้วไม่ยอมตายกันเรายังอยากอยู่เรายังอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรายังอยากไม่ตายกันงั้นเราต้องมาสอนใจให้มันยอมให้ได้ให้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้พอหยุดได้แล้วใจเราก็จะหายทุกข์เจ้าห่ะจากจาก facebook ฝากคำถามเราควรระลึกพุโทโธแทนการปล่อยใจไหลไปเรื่อยเปลือยใช้ใหม่เจ้าขาถูกต้องสตินี้เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญในการคอยหยุดความคิดต่างๆเพราะถ้าใจไม่คิดเรื่อยใจจะฟุ้งซ่านแล้วใจจะเครียดใจจะไม่มีความสุขแต่ถ้าใจว่างใจไม่คิดแะคิดน้อยนี่ใจจะเบาใะเย็นใจจะสบายจากคุณเบญชาวานการปฏิบัติ เป็นการสะสมความเห็นไปจนกว่าจิตใจจะเข้าถึงโลกุตรธรรมไม่ชาตินี้ก็ ต, ต่อต่อทุกชาติไปถ้าเดินปัญญามากจะทำให้เร็วขึ้นไหมคะเดินปัญญาอย่างเดียวไม่พอต้องมีสมาธิสนับสนุนถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็หยุดกิเลสไม่ได้ต้องมีสมาธิเป็นผู้หยุดเป็นปัญญาผู้สอนให้เราหยุดเหลือกี่ข้อ มี YouTube อีกสองสามคำถามเจ้าค่ะโอเคครับสามก็พอนะค่ะม จ, จากทาง YouTube ถามเข้ามาว่าขออนุญาตถามเจ้าค่ะเคยภาวนาเข้มเข้มค่ะแล้วเมื่อสงสัยเรื่องอะไรก็ตามจิตจที่ิบเป็นเรื่องที่สงสัยบางทีเป็นภาพบางทีเป็นความเข้าใจอันนี้เป็นฟรงร้านคิดไปเองหรือเป็นปัญญาคะถระดับความทุกข์ได้ครับจัดความสงสัยได้ก็เป็นปัญญา พระสงค์ไปตัดจีวรเองเลือกผ้าพิเศษอย่างดีมีราคาแล้วมาบอกบุญญาติโยมช่วยเหลือด้านปัจจัยพระสงค์ทำแบบนี้ได้ไหมคะถูกวินัย ห, หรือไม่คะไม่มักน้อยสันโดษไม่ยินดีตามมีตามเกิดยังจูจีจ้จุกจิกก็สแสดงว่ายังมีกิเลสมีความโลภอยู่ซึ่งขัดกับหลักธรรมของการมาบวชมาบวชเพื่อตัดกิเลสให้ยินดีตามตามีตามเกิด เราต้องมองทุกอย่างที่เจอเข้ากดไตรลักให้ได้ใช้หมเจ้าขาใช่เห็นทุกอย่างไม่เที่ยงมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดัดพอไปแล้วจะทำให้เราทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยาบปล่อยเขาไปอย่าไปยุ่งกับเขาหมดแล้ว<ข>ใ่อ่าคำถามสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายจากคุณเชียดาถ้าจิตคิดโกรธอยู่บ่อยๆนึกถึงเรื่องเกา่าๆ จะมีวิธีดับความโกรธนั้นให้หายขาดได้อย่างไรเจ้าคะบริกรรมพุโทโธไปเลยพอคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธพุโทโธพุทโธไปสวดมนไปก็ได้จนกว่ามันจะหายเหมือนกินยาพอปวดหัวปุ๊ก็กินยาแก้ปวดเลยแต่อย่าไปกินเม็ดเดียวกินเม็ดเดียวยังไม่หายก็ต้องกินสองเม็ดสองเม็ดยังไม่หายก็กินสามเม็ดบริกรรมหนึ่งนาทียังไม่หายก็สองนาทีสามนาทีไปเรื่อยๆจนกว่าความโกรธจะหายไปแล้วเราเค่อยหยุดบริกรรม